แต่ถ้ามองแบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะตัวปัจจัยนี่มีสิบเอ็ดตัวปัจจัยุบันก็สิบเอ็ดอย่างเช่นชรามรณะเป็นผลชาติเป็นปัจจัยชาตเป็นผลพกเป็นปัจจัยพกเป็นผลอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานเป็นผลตัณหาเป็นปัจจัยตัณหาเป็นผลเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาเป็นผล ภาษาเป็นปัจจัยภาษาเป็นผลสลายยตนะเป็นปัจจัยสลายยตนะเป็นผลนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปเป็นผลวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นผลสังขารเป็นปัจจัยสังขารเป็นผลอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยตั้งแต่อวิชชาจนถึงชาติตัวปัจจยุบันคือผลตั้งแต่สังขารถึงชราและมรณะ มันก็ปัญญาที่สามารถกําหนดปัจจัยและผลของปัจจัยนั่นแหละเรียกว่ า, านะท่าท่านเน้นไปที่การกําหนดปัจจัยเนี่ยนะปัญญาที่กาหนดปัจจัยเรียกว่าธรรมทิติยานแต่โดยศั พ, ธรรพนะ์ธรรมะสัพ์นะธรรมะธรรมะเนี่ยธรรมะนี้ตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างแค่สิบเอ็ดจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นเนี่ยนะธรรมศัพท์นะตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างแปลได้สิบเอ็ดไหนหนึ่งธรรมะแปลว่าสภาวะสอง แปลว่าปัญญาสามแปลว่าบุญสี่แปลว่าบัญญัติห้าแปลว่าอาบัตหกแปลว่าปริยัติเจ็ดแปลว่านิสตะแปดแปลว่าวิการเก้าแปลว่าคุณสิบแปลว่าปัจจัยสิบเอดแปลว่าปัจจยุบันเป็นต้นอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างนะสิบเอ็ดอย่าง อย่างธรรมะแปลว่าสภาวะเช่นกุสลาธรรมะกุศลาธรรมะพยากระตาธรรมะเนี่ยที่ไปงานศพนะจะได้ยินแบบนี้บ่อยๆนี่แหละเรียกว่าแปลว่าสภาวะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสุขเวทนาสภาวะธรรมทั้งหลายที่สัมปยุทธกับทุกขเวทนาเป็นต้นเนี่ยมั้นก็แปลว่าสภาวะ ส่วนธรรมะที่แปลว่าปัญญาคือว่าบุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมะสี่ประการคือสัจธรรมถิติและจาคะบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกตัวธรรมะสัแรกนะรสัจธรรมถิติจาคะเนี่ยธรรมะตัวนั้นแปลว่าปัญญาเพราะฉันผู้ที่ครองเรือนนะผู้ที่มีศรัทธาแล้วอยู่ครองเรือนถ้ามีสัจจะหนึ่ง สองมีปัญญาสามมีทิติแล้วก็สามจะเอ่อก็ไปสี่จากฆ่านะผู้เนี้ยถ้าตายจากโลกนี้ไปไม่เศร้าโศกในโลกหน้าส่วนข้อสามนะธรรมะที่มีความหมายว่าบุญบุญเช่นธรรมและอาธรรมทั้งสองมีผลเสมอกันก็หาไม่ได้เลยอาธรรมย่อมนำไปสู่นรกอาธรรมในที่นี้เป็นชื่อของอะไรอากุศลกรรมบดนั่นแหละ ทำย่อมให้ถึงสุขติโลกสวรรค์นั้นกุศสลกรรมบทเป็นต้นเป็นเหตุให้ถึงสุขตินั้นธรรมะตรงนี้แปลว่าบุญบุญนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดในสุขติส่วนในยท 5, อที่ห้าที่สี่เนาะธรรมะแปลว่าบัญญัติเช่นบัญญัติธรรมนิรุติธรรมมาที่วนจนะธรรมบัญญัติก็แปลว่าชื่อนั่นแหละบัญญัติธรรมนิรุติธรรมมาที่วนจนะธรรมตรัวนี้หมายถึงบัญญัติเฉย ส่วนในที่ห้าธรรมศัพท์มีอัจว่าอ ბ ัตเช่นธรรมะคือปราชิกธรรมะคือสังขารที่เศษในในปาติโมกนจะมะีปราชิกาธรรมาสังขาร ท, ที่เศษธรรมยพวกนี้เป็นธรรมะตัวนั้นแปลว่าอาบัตส่วนธรรมะแปลว่าปริยัตก็มีอย่างในอรักขะทู ป, ปมาสูตรจะไม่ว่าพิสูย่อมเรียนพิสูในธรรมวินัยนี้นย่อมเรียนธรรมะคือสุตตะคยะุยยะเวยากรณะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็น ปริยัติปริยัตินี้ก็โดยทั่วไปก็แปลว่าเรียนนะเนะ่ยธรรมะหมายถึงภาพปริยัติธรรมส่วนธรรมะที่แปลว่านิสตตะความไม่มีสัตเนี่ยนะเช่นว่าในสมัยนั้นเลยธรรมะทั้งหลายย่อมมีเนี่ยนะคือพูดถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเช่น ในดวงในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งมีสภาวะธรรมคื อ, อความไม่มีสัตว์เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็มีภาษะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นในนั้นไม่มีสัตว์อยู่เลยในความคิดในจิตไม่มีสัตว์เกิดร่วมอยู่ในนั้นเลยอันนี้เรียกว่าความไม่เป็นสัตว์เนี่ยนะหรือในรูปประขับนเนี่ยพิจารนาดูแล้วก็ไม่มีสัตว์อยู่เลยหรือในธรรมานุปัสสนาเนี่ย ก็อนนี้ก็ความไม่มีสัตว์เหมือนกันคือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ธรรมเมสุธรรมมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาญโนสติมาวินยญาโลกียพิชาโทมานะสังเนี่ยนะคำธรรมเมสุธรรมมานุปัสสีเนี่ยพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนี่ยคําว่าธรรมตัวนั้นนี่แปลว่าพิจารณาธรรมะนะไม่ใช่พิจารณาสัตว์พิจารณาธรรมะว่าเป็นอะไรเป็นนิวรเป็นขันเป็นอายตนะเป็น โคดชองเป็นอริยสัจเนี่ย น, นะการพิจารณาเรียกพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่คือพิจารณาความไม่มีสัตว์นั่นเองส่วนธรรมะที่แปลว่าวิการวิการแปลว่าแปรผันเช่นชาติธรรมอ่ะ น, นะมีชาติเป็นธรรมมีชร า, าเป็นธรรมมีมรณะเป็นธรรมธรรมตัวนี้แปลว่าแปรผันอ่ะ น, นะก็คือวิการแปลว่าเกิดเป็นธรม layer, นธรมดาแก่เป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาอันนี้ธรรมะก็แปลว่า แปลผันแต่ก็มีนะอย่างแปลว่าเหตุก็ได้นะธรรมะนี่แปลว่าเหตุเช่นโศกธรรมโตเนี่ยนะพิจารณาขันนี่แหละโดยความอมีเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดานี้ธรรมะตัวนั้นแปลว่าปกติหรือวิการก็หมายถึงปกตินั่นแหละแล้วก็มีโสกะเป็นธรรมดานะนะโสกะปริเทวทุกโทมานัตอุปายาตเป็นธรรมธรรมะตัวนั้นแปลว่าเหตุคือขันห้าเป็นเหตุแห่ง โสกาปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปายาตเนี่ยนะหรือว่าสังกิเลสิกะธรรมขันห้าเป็นสังกิเลสิกะธรรมเพราะว่าขันห้าเป็นเหตุแห่งสังกิเลสคือตันหาทุจริตและทิฏฐิเนี่ยนะส่วนธรรมะที่แปลว่าคุณก็มีเช่นพุทธธรรมหกเนยธรรมะสำหรับพระพุทธเจ้ามีหกประการเนี่ยนะอันนี้ก็แปลว่าคุณจะทำนะ เช่นพุทธธรรมก็คือพุทธคุณนั่นแหละไม่ต่างกันส่วนธรรมะที่แปลว่าปัจจัยเช่นความรู้แตกฉานในเหตุชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาอันธรรมะปฏิสัมพิทาธรรมะตัวนั้นแปลว่าปัจจัยส่วนธรรมะที่แปลว่าปัจจยุบันคือผลเนี่ยนะเช่นว่าธาตุนั้นเลตั้งอยู่แลชื่อว่าธรรมะทิติชื่อว่าธรรมนิยามอันนี้หมายถึงปัจยจุบัน เพราะฉะนั้นธรรมรัพท์ในที่นี้นั้นพึงเห็นว่าลงในอัตว่าปัจจุบันแปลว่าธรรมะที่เกิดแต่ปัจจัยนะธรรมะทิฏยานเนี่ยนะธรรมะธรรมะตัวแรกนี่แปลว่าปัจจุบันแปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยอะไรมั่งเกิดจากปัจจัยก็ขั น, นยตนาธานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแก่งอยู่แล้วโดยอัตท่านเรียกว่าธรรมะเพราะทรงไว้ซึ่งสภาวะของตน เน่นเช่นปัทวีธาต์ก็ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือแข็งปัทวีธาต์จะอยู่ที่ไหนก็ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเสมอคือแข็งเวทนาธาต์เกิดขึ้นที่ไหนก็ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือเสวยอารมณ์นไรูปทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือแตกสลายภาษะทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือกระทบอารมณ์รับกระทบอารมณ์เนี่ยนะ นัเรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนหรืออันปัจจัยเนี่ยส่งเอาไว้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยถูกปัจจัยนะี่มาส่งเข้าไว้ถ้าเขาไม่ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยอย่างเช่นชีวิตตินรีย์เนี่ยนะที่ทุกคนมีชีวิตเนี่ยดํารงอยู่ด้วยอะไร <c oughs> ชีวิตตินทรีย์เนี่ยดํารงอยู่ด้วยอะไรตัวชีวิตตินทรียเลยเนี่ย <c oughs> อ่าชีวิตนี้พระองค์กรัสว่าดํารงอยู่ด้วยหนึ่งลมหายใจเข้าสองลมหายใจออก สทั้งลมหายใจเข้าทั้งลมหายใจออกนั่นแหละสี่ชีวิตนี้ดำรงอยู่ด้วยมหาพูทธรูป <c oughs> มหาพูทรูปยี่สิบนะผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกลองอันใดหนึ่งเอาไตาออกสิ <c oughs> สกเดือดร้อนแล้วนะเอาไตเขายขัายางช่วนะอาจจะเหลือชีวิตอยู่บ้างเอาตับละ่ะแย่เลยฉั้นก็ชีวิตนี้ดำรงอยู่ด้วยมหาพูทธรูปคืออาปัทวีธาติโชธาติอาปโปธาตและวายโยธาติชีวิตนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารถ้าตัดตัดน้ําตัดข้าวตัด อาหารหมดทุกชนิดเลยนะเลิกเติมตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเลยนะคิดว่ากี่วันดีประมาณเจ็วันนะเว้นไว้แต่คนได้ชามได้อะไรอาจจะยาวกว่านั้นได้สมาธิดีๆหรือกุศลจิตเกิดมากอาจจะยาวกว่านั้นแต่ถ้าปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ถ้าตัดตัดสบียอยงเลยนะให้เหลือแต่หายใจอย่างเดียวเนี่ยประมาณเจ็ดวันแล้วก็ชีวิตเนื่องด้วยอะไร เนื่องด้วยจิตชีวิตนั้นเนื่องด้วยจิตถ้าจุติจิตเกิดขึ้นแล้วไม่มีจิตอื่นสืบต่อเลยนะชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้อะเพราะชีวิตนี้มันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยตั้งเยอะแล้วถ้าขาดปัดจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะชีวิตไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้มันธรรมะนี่จะแปลว่าอันปัจจัยทรงเอาไว้ก็ได้ชีวิตก็คือธรรมะอย่างหนึ่งที่ถูกปัจจัยเนี่ยทรงเอาไว้ หรือย่อมทรงไว้ซึ่งผลของตนก็ได้นะธรรมะนี่จะทรงไว้ซึ่งผลของตัวเองเช่นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งผลของตัวเองคืออะไรเอาแบบชั้นสูงหน่อยก็คือมัจเนี่ยถ้ามัจเกิดต้องให้ผลทันทีมัจเนี่ยจะทรงไว้ซึ่งผลของตัวเองหรือธรรมะที่แปลว่าผู้ใดบำเพ็ญธรรมะให้บริบูรณ์ก็ส่งผู้นั้นไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย ส่วนมาที่ส่งไว้ซึ่งผลของตนหรือว่าผู้ใดบำเพ็ญธรร ม, มะให้บริบูรณ์ก็ส่งผู้นั้นไม่ให้ตกไปในอบายทั้งหลายอันนี้หมายถึงโลกุตระธรรมนะโลกุตระธรรมจะทรงไว้ซึ่งผลของตัวเองแล้วก็รักษาผู้ที่ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วหรือส่งไว้ซึ่งลักษณะของตนหรือย่อมตั้งลงไว้ได้ด้วยจิตตามสมควร น, นะก็มีหลายในะนะ แต่ในที่นี้ชื่อว่าธรรมะเพราะอธรรมว่าอันปัจจัยทั้งหลายของตนเนี่ยทรงเอาไว้ตัวธรรมะนะปัจจัยของตัวเองเนี่ยรักษาเขาเอาไว้ถ้าอย่างหลังคาเนะียมันถูกอะไรทรงเอาไว้ก็ถูกปัจัยของตนของตนเนี่ยทรงเอาไว้ถ้าปัจใจฉันล่างล่างขาดหมดเลยนะอย่างเขาเรียกว่าเอาเสาไปได้แต่เอาหลังคาตั้งไว้ตามเดิมอย่างเงี้ย น, นะก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้หลังคาข้างบนมันก็ทรงด้วยปัจจัยข้างล่างล่างชัง้นใด ถาว่าธรรมะก็ลักษณะเดียวกันคือปัจจัยเนี่ยเป็นตัวรักษาเขาเอาไว้ก็คิดดูนะว่าสิ่งใดที่ต้องอาศัยมาปัจจัยมาประคับประคองเลยเนะถามว่าสิ่งนั้นอันตรายขนาดไหนเห็นไหมชีวิตเนี่ยมันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยตั้งมากมายขนาดนี้นะถามว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแค่ไหนก็เรียกว่าปลอดภัยน้อยมากเขาบอกว่าถ้าตายนะฟังเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะแต่ถ้ามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเห็นไหม จริงๆนะคนที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยน่าอัศจรรย์มากนะเพราะว่าปัจจัยแห่งความตายมันมีมากเหลือเกินแต่ว่ายังอยู่ได้นะแล้วยิ่งบางคนอยู่ได้เก้าสิบกว่าปีเนี่ยโหมีบุญมากเมื่อวานเนยโยมเขานี่มันไปทาบุญอายุเก้าสิบสามปีแล้วนั่งฟังทำตาแป้วเลยไม่รู้ทำบุญอะไรมาอายุยืนขนาดนั้นก็สุขภาพใช้ได้เลยแหละแต่ว่าเดินมีปัญหาเิดหน่อยนั่นแหละ แกก็โยมีคนหนึ่งอยู่นครสวรรค์คนนั้นเนี่ย90้าสิบกว่าแล้วเดินเถินได้ไปไหนมาไหนได้นะชอบเที่ยวมากแต่ตาไม่ค่อยเห็นนะมันลูกหลานพาไปไหนไปหมดอะ่ะ <c oughs> ก็มีบุญมากนะถึงจะมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นนี่เป็นผลของการงดเว้นจากปานาฏิบาตพวกนี้แะลรเรียกว่ากลุ่มที่มีอายุตลอดกับเนี่ยนะนะคำว่าตลอดกลับหมายว่าอยู่จนสิ้นอายุขยของมนุษย์เลยเนี่ยนะนะ